ตอนบจบเราก็นั่งปฏิบัติตรมกรันเป็นไงกันบ้างวันนี้อาหารกายอาหารใจเกาเ่งกระลาหารตอนเย็นเราก็ไม่ได้ทานข้าวทานอะไรกันแล้วน้ำปานนะอาจจะมีอยู่บ้างบางทีก็มีความเชื่อต่างๆ การรับประทานอาหารเชื่อว่ากินละกอมากๆอายุยืนกินสาล่ายทะเลมากๆอายุยืนกินเนื้อปลามากๆอายุยืนกินผักมากๆอายุยืนหากขนกูชาติขุนลึงขนล่ําขุนเหล็ก ขุนลุม่มขุนสารพัดขุนบางคนก็เชื่อว่ากินข้าวกับมดอายุยืนมีความเชื่อแบบนี้เอามดมาเวลาหุงข้าวใส่ทำมดใส่เลยทั้งลังเลยดําเหมือนงาอันนี้ชาวจีนก็เชื่ออย่างนั้นปฏิบัติาตามกับกานก็เชื่อว่าวิธีนั่นวิธีนี้วิธีนู้น ภาษาหารวิญญาณหารมนโนสัญเจตนาหารก ร, รูแบบต่างๆบางกว่าลมหายใจอาณาปานสติบางกว่าพองยุบบางกว่าเกินไหวแนวหลวงปุตเทียน14บีจังหวะเดินจงกรมบางกว่า ก, ากาำหนดรู้เวทนา นั่งแล้วกำหนดรู้เวทนาจริงๆวิธีการลงประเทียนก็ใชัความรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกก็เป็นเวทนาตัวหนึ่งนั่นแหละเป็นกายจวิญญาณกรใชัยสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกก็มีความเชื่อกันต่างๆนานาแต่เที่ยงคันมันไม่ใช่เชื่อแบบโง่หลงงม ง, งายต้องปฏิบัติลงไปพิสูจน์ลงไปฟังแล้วเชื่อมันก็ไม่ใช่ โงเกินไปท้ายสุดเวลามีข้อสอบมีโจทย์สอบตกยังทุกอยู่มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องทำมาที่นี่ก็ลองทำดูนะเกินไว้รู้สึกเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์อัตตาอัตตานั่นแหละ ครูบาอาจารย์ท่านรู้อย่างนี้ไหมท่านก็บอกอย่างนี้ชี้นาอย่างนี้ฟังเทศฟังธรรมล้วก็ได้ยินหลวงพ่อกาเขียนท่านก็กำลาบอยู่นะในคําพูดคําเทศฟังดีๆเป็นการกําลาบปฏิบัติแล้วทาไม่จบไม่รู้จะทํากันไปทําไมเรียนแล้วเรียนไม่จบไม่รู้จะเรียนกันไปทําไมฟังแล้วฟังดีๆคนหัวลุกเลยนะ เสียเอาด้านหลังเพ่อะจะมาให้เขาสนับสนุนกินกินนอนนอนบินทะ บ, บาดมีการช่วยเหลือการเสนาสนะน้ำไฟต่างๆแล้วไม่เข้าถึงสภาวังการพ้นทุกก็ขาดทุนพ่อท่านก็พยายามชี้นำให้เราได้เหมือนกันว่า ไม่หยุดอยูกษษษษษ่กับที่เพราะอยาก เ, ยดเดินต่อเดินต่อไม่ขีเกียจทาตามไม่ไหนๆในคาสอ น, นแปล ว, ว่าเรื่องความรู้สึกตัวาการเดินจงกรมกรรมนั่งสร้างจังหวะทุกๆขณนะจิตมันเป็นยังไงมันมีความเป็นกลางหรือไม่เกิดการปล่อยวางหรือไม่เป็นปกติหรือไม่ มันฉยๆบ้องรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้เท่ารู้ทันรู้เท่ามันคิดลอยคลังรวมลยคลั่งนั่นแหละทันมันคิดปั๊บก็รู้ปุ๊บเป็นปัจจุบันทันกันหลวงพ่อใช้คำว่าเจเอ๋เจเอ๋มันออกมาปั๊บเห็นปุ๊บเลยเจเอ๋ ความคิดเกิดขึ้นมาเจเอเกิดความเบื่อความง่วงเกิดอารมณ์ทำอารมณ์เกิดมาจจเอกันภาวะผู้ดูแต่ว่าถ้าหลุดหลงก็ไปบ้างอันนี้ก็เป็นลนักษณะของประสบการณ์ที่ดีต่อไปเราจะได้เลือกเป็นเรียนถูกเรียนผิดอะไรเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นโจทย์ให้เราได้เฉลยได้ตอบ สอบถู ก, ก็ผ่านทันทีผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะั่นแหละเมื่อมาอีกซ้3 3ก็เคยรู้จักแล้วรู้หน้ารู้ตาทันกันรู้เท่ารู้ทันก็จึงมีบรรยากาศต่างคนต่างเปลกวิเวกเอาเราแม่อาศัยสถานที่เดินชมนกชมไม้แล้วปักหลักเพราะว่า การเป็นแบบมันต้องปักหลักสักหน่อยต้องแยกคาต้องประณีตต้องหันกลับหันกลับมาดูตัวเองการเคลื่อนการไหวไกาใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นมารู้หมดหันซ้ายหันขวาไปตาหายใจการสั่นสะเทือนตั้งแต่หัวจะหลุดแถวรู้ตัวตั ว, ตวพร้อม เวลามีความคิดเกิดขึ้นมาโอ้ตรงนี้แหละเราก็เห็นพัฒนาการสติดูจิตสติดูจิตเห็นความคิดความคิดก็จบเราไม่ได้เจตนาคิดมันคิดได้ยังไงมันคืออะไรได้เห็นความคิดเป็นอดีตความคิดเป็นอนาคตอดีตเป็นสุขอดีเป็นทุกข์อนาคตเป็นสุขเป็นทุกข์ยกเมก วาดฝันวาดวิมานมายาภาพเกิดนิมิตฝันกลางวันขึ้นมามันก็ลืมเนื้อลืมตัวอย่างเงี้ยแล้วเออกลับมาหลักของกรรมฐานมันมีอยู่การเคลื่อนไหวรู้สึกการเคลื่อนไหวรู้สึกนี่ะตอกย้ำ ม, มันอยู่ตรงนี้แหละซำ้ซำซ้ำซักๆทําแล้วทําอีกจนติดเป็นนิสัยใหม่เกิดความจดจําใหม่ขึ้นไหม มันเคยจำได้ถึงความทุกข์เก่าๆที่แก้ไม่ตกปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกมาพลาดตกลงไปทีไรมันก็ไม่สบายกายไม่สบายใจเชื่อมโยงกันมันจะเป็นกระบวนการที่ฝึกหัดหรือว่าจำลองชีวิตของเรามาดูใหม่ก็ว่าได้เราจะเลือกอยู่กับอะไร อยู่กับปัจจุบันรู้ปัจจุบันดูปัจจุบันเห็นปัจจุบันหรือว่าหลงปัจจุบันไปอยู่กับดีรนาคตอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆความสุขความทุกข์ความพอใจว่าไม่พอใจอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานตื่นตื่์นบนกิเลสหรือว่าจะกลายเป็นการว่าตื่นทุกกิเลสนเป็นเหตุแห่งทุก เกิดจากความคิดการปรุงการแต่งเราก็เลยสนุกวันนึงวันเห็นมันมีอาการเกิดขึ้นกับกายกับใจของเรามีบุคคล1น3มวัตถุน1น3เป็นส่วนประกอบเป็นตัวช่วยเป็นสิ่งแวดล้อมมันก็สนับสนุนเราอยู่ รูปผลกระทบทางตาเนี่ยโอ้มันก็รู้สึกตัวละเอียดหน่อยนึงเสียงมากระทบทางหูก็รู้สึกตัวละเอียดลงไปจมูกได้กลิ่นก็รู้สึกตั ว, ย, ตวยิ่งกายสัมผัสในหยาบสุดของง่ายๆ ย, ยิ่งเจตนาเคลื่อนนี่ยิงโอ้สุดสุดมีเหลอมันจะไม่รู้พอเราเจตนาสั่งมันเคลื่อนนี มเกลือแล้วก็แสดงออกธรรมชาติความเป็นจริงปรากฏทันทีเป็นปัจจุบันเห็นนอกเห็นในเห็นกายไม่ใช่กายธรรมดามเป็นกายในกายกายยวิญญาณเกิดดับเหมือนกั น, นบทที่ 1. อ น, นุบาลมีสติดูกายดูไปดูมาหเห็นวิธนาเรือนชั้นหน่อยเป็นปฐม เห็นจิตมันคิดนึกปรุงแต่งเออมัธยมเกิดการปล่อยวางกันมารู้เท่ารู้ทันมีสติเด่นเป็นภาวะผู้ดูมัธยมเลื่อนชั้นไปเลยๆแต่ว่าก่อนหน้าว่ายังเจอนะอุปสรรคเจอมรสุมสักหน่อยความว่งเหงาห า, านอนปฏิเสธไม่ได้เรียงไม่ได้ จะวิธีการใดก็ตามในโลกใบเนี้ยจะเป็นการฝึกจิตลองเริ่มต้นมันก็ง่วงเัื่งนั้นแหละเรือไม่จริงตั้งดูลมหายใจมันก็ง่วงจะพุโทโธจะสัมมาละหังจะยุบหน่อปองหนออะไรก็เถอง่วงๆนั้นแหละบางทีก็ปวดก็เมื่ อ, อยดีก็เบื่เอเหมือนกันแต่ว่า พอทำไปทำมามันก็ไม่ใช่อุปสรรคมัน ก, กลายเป็นอุปกรณนะ์กลายเป็นเรื่องส่งเสริมเหมืนอนอย่ากําลังกายให้ก้ามโตก็ต้องไปยกของหนักๆสักหน่อยวียนให้มันเหนื่อยสักหน่อยหลังจากหยุดแล้วเดี๋ยวมันสบายชจ้าสบายผ่อนคลายไปหาหมอ น, นวดกันเนี่ยสังเกตดิหมอ น, นวดนะ่ยมันสบายหลังจากที่เขา ก, กดลงไปก่อน ปวดกดถ้เจ็บเพียรแล้วก็ปล่อยก็สบายแต่ลองไม่กดถึงเจ็บนะไม่ถึงว่ามันเจ็บไม่โอ้ยนะมันยังไม่สบายหรอกเวลาเราเมื่อยเมยเหมือนกันเราเกรงตัวเอามือเกงเอออรงอพอคลายสบายนั่งปฏิบัติกันไม่งันนั่งให้มันเจ็บให้มันปวดแล้วลองลุกก็เดินนะว่าสบายสุดเลย มันจะเกิดการเปรียบเทียบตรงนี้มันจะเกิดกำลังขึ้นมาหลังจากที่มีขันติมีตาบะมีความอดทนทนพอทนได้แล้วก็เปลี่ยนอย่าบทดสติการขยับการเคลื่อนการไหวการเกรงการคลายเราสังเกตจากอวสัช ก, ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์เกิดพัฒนาการขึ้นมาผ่านได้เข้มแข็งขึ้น ตละลวันตะวันจึงมีความหมายมากกับการปฏิบัตินะภาวะผู้ดนะูหรือว่าความรู้สึกตัวเบื้องตนนะ้นจะคอยนำบอกทิศบอกทางชัดเจนที่สุดเลยมันไม่รู้อะไรถ้าก็รู้ตัวเองมันชัดเจนที่สุดแล้วมันก็จบเป็นซะด้วยจบตอนที่ทุกครั้งรู้สึกตัวแล้วมันปกติ ทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันออกจากความคิดมันชัดเจนทุกครั้งที่เผลอหลงเข้าไปในความคิดการปรุงการแต่งแน่นอนคิดแล้วโกรธคิดแล้วกุ้มคิดแล้วกังวลคิดแล้วสงสัยคิดแล้วอิจฉาลิษยาคิดแล้วสารพัดมันเกิดขึ้นมางงตัวเองเกิดจากความคิดพัดถอนออกมาสัมผัสรู้สัมผัสรู้สัมผัสรู้ไม่ไกลว่าออกจากความคิดมันก็ได้คําตอบเหมือนกัน ถ้าเฝ้าดูดีดๆเพราะได้คําตอบหนึ่งครั้งนั้นไอคอนอื่นก็เหมือนกันไม่มีความสําเร็จเหมือนกันทําอาชีพนะงานหลักเราเคยทำสำเร็จได้เงินได้ทองมาไนอะงานไอเหล็กก็ได้เงินได้ทองอีกหลายอาชีพก็ทําเป็นขึ้นมามองทางไหนทิศไหนก็เห็นแต่เงินแต่ทองแหละความมีความสําเร็จมาก่อนการเรียนรู้ก็เหมือนกันเคยเรียนรู้มีความสําเร็จมาสักวิชาหนึ่ง มันก็แตกฉานไปจะเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะนะครับเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละทางโลกก็บอกตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจอ่อไม่กระจให้ถามกลับถึงบ้านทบทวนอยู่เสมอทางโลกเป็นอย่างนั้นแต่ในทางธรรมก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวการเคลื่อนกันไหวแต่และขณะก็แค่นั้นนะ น, น, นะเราก็จะได้เห็นบทเรียน หนังสือชื่อว่ากายเล่มชื่อว่ากายเล่มหนาปึกเลยน ะ, ปะเปิดมาพั่วบทไหนที่เท่าไหร่มันจะสอนเราเรื่องอะไรมันจะแสดงออกมาทันทีก็เรียนซะไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นใบธรรมก็จึงไม่ปฏิเสธไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธอะไรทั้งหมดอะไรที่เป็นเรื่องของสิ่งที่กําลังปรากฏขึ้นมาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า รับรู้ตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องถูกต้องตรงไหนกรรมมัดฐานจิตใจของเราที่เคยสัดใจไปตามอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็มัดเอาไว้ที่ฐานกายซะกลายเป็นหลักเชือกมัดก็คือสติมัดแบบคุกคลิกหน่อยแบบให้มันมีกรอบไม่ใช่มัดติดตรึงแน่น มันเกิดการอึดอัดหรือว่าเหมือนผูกบังคับจิตใจของเราเคยไปตามความคิดไปตามความหลงบบ น, นีมน้มันมารู้สึกที่ฐานกายมันก็จะเริ่มเริ่ ม, มหมดพยศมันเคยสุขสนมันเคยท่องเที่ยวไ้ในวัฏตางสงสารสร้างพบสร้างชาชรามรณะต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนวันๆ คราวนี้พอเรามาจับมัดไว้นะกรรมมัดฐานนะในเงื่อนที่เรียกว่าสติปัฏฐานนะเงื่อนเงื่อนพิลอดเงื่อนตะกุดเบ็ดนะวิชาลูกเสือเนตรนาเรยบัดนี้วิชากรรมฐานนะเรามัดไว้ด้วยเงื่อนของสติปัฏฐานนะรู้ปัดรู้ปัดรู้ปัดรู้ไม่ยึดรู้ไม่นะติดนะในอารมณ์ที่เรารู้มันเรียกว่าแดนงานนะแดนของปกติธรรม มรดยปริสุโทโธในแดนของปกติธรรมตรงนี้เราจะเกิดการวิจัยขึ้นมาธรรมวิยยะมันจะเข้าออกจะเป็นวสีคือมีความชํานาญในการเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกออกรู้กายอย่างนี้รู้กายอย่างนี้ออกมันกระจายลวจิตมันตั้งมั่นมันมีทิศมีทางแบบนี้การรู้มาฐานกายทําไปทํามารูปธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเย ขันที่เป็นรูปขันปลากฏขึ้นมาทุกครั้งที่แต่สวิตช์นิ่มก็ไหลมาทางใช้กายเนี่ยแหละเวลาโกรธเออมันเกรงที่กายไอ้ด่านนี้แหละตาแหนะ่งนี้แหละมันจะออกแรงแต่พอมเป็นความคิดเกิดขึ้นมาอ้ามเป็นอีกทิศอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามเลยเลยกระจายเลยพ่อว่าทาไมรู้กันหลงนิ่มตรงกันข้ามพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวเออมันก็ตรงกันข้ามจริงๆอะ ปลงตัวหลงตั ว, ตวมันก็ไปทางทุกข์ไปทางความคิดเกิดภพชาติแต่พอมารู้สึกตัวรู้สึกตัวอา้าวก็เป็นพุทธภูมิมันก็เป็นพุทธจริทธพุทธทิจริทธมันไม่ใช่เป็นโทวสายจลิทโมหะจริตธโลภะจริตอันนั้นเกิดจากตัวคิดทั้งหมดเราก็เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยความคิด เบื้องต้นเราเพียงแค่ว่าตั้งกรรมฐานนิมทูจดกันแล้วกัน14อย่านะังไงปลิกขึ้นรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกมิแต่รู้สึ ก, กนนะ่ยรูปแบบเป็นเพียงสมมตุติเมื่อเข้าถึงตัวปรมัตารสภาวะคือเป็นสติดูจิตตัวสมมุติการสติดูกายเห็นอาการของกายในสุดกรารเป็นภาวะผู้ดูมันก็เลยไม่ยึดกายเป็นกู มันเห็นกายสละก า, กายนั่นแหละมันไม่เป็นศีลปฏิบัติปรามาตมันไม่เป็น ส, าานนส ก, กายยาทิติแล้วมันก็หายสงสัยด้วยทําทำไมการนั่งดูลมหายใจการนั่งดูท้องปองยุบทำไมต้องทำทำไมต้องเคลื่อนไหว้ิบสี่ใว่ไหทำไมต้องทำมันไม่มีคำว่าทำไมมันมีแต่คำตอบแล้ว ว่ามันกำลังทํากรรมฐานในเงือนของสติปัฏฐานอยู่ <Yeah. S 1> มันปัดฐานกายได้มันก็วางกายได้ <Yeah. S 1> มันก็วางหน้าวางตาได้ <Yeah. S 1> มันก็วางความเบื่อได้วางความเซ็งได้ <Yeah. S 1> มันก็วางทุกอย่างนั่นแหละ ว, <Yeah. S 1> วางทุกทายสุด <Yeah. S 1> การปล่อยการวาง <Yeah. S 1> วางก็เบาเอาก็หนัก <Yeah. S 1> เอาอะไรไปเป็นเจ้าของมก็หนักทั้งหมดง เป็นภาล่ทั้งหมดไม่สนุกนะชีวิตมันก็เด็กเกิดมากรรมไม้กรรมมือกรรมหมัดกัดฟันร้องไห้เหงือกแดงมีพลังเยอะนะพอแม่อยู่ไม่ได้ทีเดียวแล้วรัวเกิดมาแล้วก็ร้องไห้มันต้องอะไรแน่เลยไม่หิวนมมันก็ปวดปัสสวะอุจจาระแม่ก็มดกัดก็ต้องหาแล้วมัาลองทำไหม เด็กร้องไห้มีกําลังมากส่วนนักปฏิบัติธรรมจิตเป็นพระศีลอะไรคือกำลังกําลังคือศีลคือความเป็นปกติเราเห็นเราเออทุกครั้งที่กลับมาจิตปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวไปตกลงไปเผลอไปไปไหนไม่รู้แล้วบางทีก็เกิดนิมิตต่างๆมากมายเหมือนกัน ถ้าสมาธิมันนำบวกกับความคิดนะเคยสังเกตเป็นนิมิตคิดแล้วก็เหมือนจริงมากนั่งบางทีมันลืมเนื้อลืมตัวมันเข้าไปในความคิดปรุงแต่งเกิดสมาธินำสติแนบแน่นกันเข้าไปแล้วก็นี้กเกิดเป็นนิมิตเลยทันทีแต่วิธีการหลวงปู่เทียนนี่ไม่ค่อยเกิดนะวิธีการหลวงปู่เทียนไม่ค่อยมี แต่ก็เคยเจอบางคนโอ้โหเจอเต็มๆเลยนะบางทีก็นั่งยกมือไปนั่งยกมือมาเห็นพระอานน์หอมาไม่รู้ไปเคยเห็นพระอานน์ตรงไหนมาจําหน้ากันได้ด้วยเห็นพระอนน์หอมาเฉยแล้วมาบอกถูกนะพระอานน์เห็นพระอานนท์ไม่รู้เคยเจอแล้วนพะชาติไหนกันไปแล้บางทีก็ลุกนั่งกระดินกราบเป็นลาโยม เห็นพระอานนท์เห็นภาษาลีบุตรเห็นพระเจ้านวนไปน่นประเภทนี้เตรียมส่งโรงพยาบาลส่วนปรุงได้โรงพยาบาลศรีทัญญาอะไรก็ตามมันจะไปเห็นได้อย่างไรนั่นคือความคิดทั้งนั้นแหละเนี่ยต้องเห็นความรู้สึกตัวเมื่อที่เห็นหวยเห็นเบอร์เห็นอะไรกันมากมายแล้วกันมันไม่เห็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรม ไม่เห็นกายของเราตามความเป็นจริงเนี่ยนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนเนี่ยกำลังทําอะไรก็รู้อยู่เนี่ยตรงนี้มันเห็นของจริงเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งก็เห็นตัวเองอยู่นะของจริงแต่ถ้าคิดไปบ้านคิดไปถึงคนรักถึงคนช่างคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอย่างนั้นเป็นมายาไ ม, ไม่จริงหรอก ยิงนะคิดว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นะอันนี้ก็ยิงไม่จริงนะธรรมะมันกําลังเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราก็ดันไม่เห็นมันเองตัวนะ ท, ทุกข์ขุนหาคือตัวธรรมชาติทางนั้นไมนะ่ว่าจะเกิดอะไรกันมาเป็นอาการของกายของใจนะรูปธรรมนามธรรมสัมผัสกับมันตรงๆนะเป็นภาวะผู้ดูนั่นแหละนะดูอะไรเห็นเห็นแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปเป็นนะนะนะมันก็สนุกตรงนี้อุปสรรค ทุกเปลี่ยนมากลายเป็นอุปกรณ์การฝึกกลายเป็นเครื่องมือทำามเราเกิดความชํานาญผ่านตลอดแมแวซ้ายมแมวขวาอารมณ์ไหนๆเกิดขึ้นมาเป็นเพียงอาการรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ผ่านไปเลยแมวมาเป็นความชอบฉันชอบจังเลยเมื่อวานปฏิบัติดีดีวันนี้หายไปไหนเมื่อเช้าปฏิบัติดีบ่ายไม่เห็นมันมีเลย ถ้าคิดอย่างนั้นเราเสียเวลานะความเบื่อหน่านยะทุกตัวมันเป็นสภาวะนะเป็นธรรมชาติติมปรากฏวออกมาเราก็เลือกนะกลับมาหาสัมผัสรู้ที่ไกลนะแต่ละขณนะแต่ละขณนะแต่ลนะขณะมก็เป็นบทเรียนนะทำหลายวันแล้วหนะรือว่าหลายชั่วโมงแล้วบางทีเราแ ย, ยบแยบคายกับตัวเองหน่อยนะมันก็ จะรู้ชัดทันทีเลยนะอันดับแรกคือถ้านั่งสร้างจาังหวะผู้ใหม่ก็ฟังเราก็วางกายให้มันรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายสะดวกก็สังเกตไ ม, เก ไ, มเกไม่เก๊กไม่เกร็งไม่เกยไม่เขินแล้วก็ไม่กลัวนีแล้วเราก็ลองขยับมือพลิกมือแล้วก็รู้สึกตามการเป็นจริงไปแล้วก็ยกไปวางอย่างเงี้ยสบายสบายผ่อนคลาย พอมีความคิดปั๊บมันจะรู้สึกได้ทันทีแล้วมันคนละตัวกับตัวสัมผัสไอ้ดันกับตัวนึงไอ้สัมผัสมันก็ตัวนึงมันคนละตัวกันมันก็เริ่มแยกได้แล้วพอมาอยู่กับความรู้สึกตัวนานๆมันก็เริ่มเห็นจิตในปกติเป็นสมาธิอยู่ตั้งมั่นอยู่เมันก็แสดงตัวออกมามันก็เริ่มตื่นตื่นตัวรู้ละเอียดขึ้นรู้ อาการที่มปนสั่นสะเทือนเล็ก ๆ, ๆน้อยๆทั้งตัวทั้งเนื้อที่มันมีอยู่รู้ตัวตัวพร้อมขึ้นมารู้ตัวสรวัรนวางกายขึ้นมายิ่งเห็นความคิดชัดเลย mm hmm. ความคิดคือตัวสังขารเ mm hmm. วลาปรุงเวลาแต่งมันละเอียดแต่มันก็คือหยาบถ้าสติเรามีความว่องไวคมชัดเจนว่ามันหยาบแต่ถ้าไม่มีสติเลยสติหยาบยา mm hmm. ความคิดก็ยิ่งใหญ่ ปุถุชนคนทั่วไปก็จึงคิดกันทั้งวันอยู่กับความคิดทั้งวันจนหน้าดำหนากล้าแก่เกินวัยนะอะไรสารพัดเราก็เลยนะเห็นละช่องทางของชีวิตที่เหลืออยู่นะครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้นำตรงๆไม่ได้อ้อมไปไหนโนะนะดวยว่พาหลวงปู่เทียนก็พูดชัดเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะ มันจะเห็นได้ต้ามีสภาวะผู้ดูเพราะมัเขียนได้กับพูดชัดดูและเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นดูกายก็ต้องเห็นกายดูจิตก็ต้องเห็นจิตดูความคิดก็ต้องเห็นธรรมชาติต่างๆกุศลธรรมอกุศลธรรมมันก็จึงเป็นเรื่องที่น่ากระตือรือร้นที่สุดละเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองหมดละการกลับมาหาตัวเองเห็นตัวเองจน ชัดเจนเหลือเกินตัวชีวิตชีวาของเราที่ผ่านมามันเคยครอบงําเรากายก็ใช้เราความคิดจิตใจก็ใช้เราตกเป็นทาสเป็นทาสของอารมณ์มีอิทธิพลครอบงํำจนกระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเองกลางคืนนอนก็นอนไม่หลับเวลากินก็กินไม่ลงคืนก็ออกฝันกลางวันก็คิดลงเนื้อหลงตัวจน ไปโทษชาบ้านชาวเมืองทําให้ทุกข์ที่ไหนได้พอมาไปเดี๋ยวทำเอาเราโทษตัวเองเต็มๆเลยตัวเองทําตัวเองทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นว่าตัวเองมันทําตัวเองให้ทุกข์บางทีก็หาเรื่องคืนก้ามนอนก็ไม่นอนขับรถท่องลาตีจนเช้าทั้งได้กลับไปนอนแต่ว่าทำไมานี่กลางคืนจะขยันทํางานตอนคืนเนี่ยเป็นคนที่ขยันทํางานคนืนเงียบดี แล้วก็เย็นสบา ย, ยแล้วบางทีกลางคื น, นมันเป็นงานบางงานก็นเรียกท่าที่แกร็บ เ, เป็นความลับต้องไปทำกบางคืนมันมีอยู่บางทีเราขับรถกลับมาเราก็เห็นว่าเออเรายังมีสติดีอยู่ก็ตื่นมันคล้ายๆกับว่าไอตัวกรรมฐา น, น, มนมันได้ใช้ในหน้าที่การงานด้วยนะไม่เกี่ยวกับวันไม่เกี่ยวกับคืนเกี่ยวกับทําแล้วได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ ขับรถไปทั้งคืนในยังคืนอย่างนี้ขับรถไปแล้วดีบ ท, ทีไปอยู่ในค่ายทหารก็มีงานบางงานนะบางชิดนนะไปทำตีสี่ตีห้าขับรถกลับบางคนก็ขับกลับมาจากพัทยาแข่งกันมนาะระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถบิกอัพรถสิ่งมอไซค์สิ่งเรามีสติอยู่เราจอดหยุดมันเห็นไฟแดงอยู่นี่โครงอุตสาหกรรมปรากฏว่า มีสอปิ้วผ่านไปเลยแล้วกันเออถ้ารถมันสวนมาสักคันด้านนู้นมันจะอะไรเกิดขึ้นนาะกันนึกอยู่มันโผล่มาจริงจริงสิบร้อมันจะเข้ายุทธ์เซีบอร์ดไอ้มอเตไซแข็งมากระพิกอัพมันไล่ตามกันมาปรากฏวรถสิบร้อยโผล่มามอเตอร์ไซค์ก็เจอเต็มเต็มตายคาที่ทั้งคู่มันก็เป็นประสบการณ์สอนตนคนขาดสติทําอะไรตามความคิดทําตามอารมณ์แล้วท้ายสุดก็คือ หมดอีชาตหนึ่งอีพบนึงก็เรากำลังเออก็ออยังช่วยหน่อยอยังตั้งสติได้อยู่ไฟแดงไม่เกี่ยวกับวันคืนกับการลบเขาอยู่ก็อลอดตายไปวันนึงมันก็เป็นอย่างนี้ปฏิบัติขนาดไหนถึงว่าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทั้งวั น, นเช้าตื่นขึ้นมายันหลับถึงประมาทลันน้อยเต็มทีไม่ประมาทก็เห็นสภาวะที่มันคงเส้นคงวางอยู่ ควเป็นปกติความคิดที่มันแสดงออกมาเป็นธรรมชาติของมันแล้วเราไม่ต้องไปคิดตามมันก็ได้มันก็มีแต่ว่านั้นไม่ต้องน่ากลัวความคิดที่มันเกิดขึ้นการปฏิบัติไม่ต้องกลัวเลยปฏิบัติใหม่ๆจะมีอาการกลัวความคิดนะเพราะว่าความคิดเกยทําให้เราทุกขุมามากคิดจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับคิดโกรธจนมีผลต่อตับคิดกลัวจะมีผลต่อใต คิดแล้วเสียใจมีผลต่อหัวใจดีใจมากๆมีผลต่อปอดกังวลใจมากๆมีผลต่อมา้าคิดมากๆโรคสมองโรคจิตโรคประสาทไม่ได้พักผ่อนเครียดความเป็นปกติในดีที่สุดจิตปกติกายก็ปกติจิตเครียดกายก็เครียดจิตคิดมากพูดว่ากินจุกกินจิกลถจัดเนี่ยแสบๆ แต่พอมันจิตจิตจืดก็ชอบรถจืจดเหมือนกันล่ะน้ำจืดๆไรรสจื ด, ดจาขาดไม่ได้น้ําหวานน้าขมก็ชั่วครั้งชั่วคราวไปชีวิตเราต้องมีมาตรฐานมีความเป็นกลางผองสใสเบิกบ้านเกิดความสงบเย็นรื่นเริงได้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ตา น, นมันก็ถือว่ากําไรชีวิตแล้วล่วะชีวิตเราก็ต้องไม่ขาดทุนกันเลยหลวงพ่อจึงบอกว่าเออถ้าเรียนก็ต้องเรียนให้จบ ถ้าเรียนไม่จบมันเรจะเรียนกันไปทำไมปฏิบัติธรรมกันเหมือนกันต้องรู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วก็จบเป็นก็คือต้องปฏิบัติจนกระทั่งมันหายสงสัยไปเลยแล้วก็จึงไม่ต้องเสียวเวลาเวลากันพวกเราขณะนี้ก็ปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมฟังแล้วไม่ต้องเชื่อเถอกไม่ต้องปฏิเสธตรงไหนที่คือความรู้สึกตัวก็จับให้ถูก แต่อย่างพล่ๆเบลอๆแล้วก็ไม่ชัดเจนก็ขยับสักนิดนะไม่ถือว่าผิดนะการฟังทำขยับไปด้วยนะไม่ถือว่าผิดแล้วไม่เสียมารยาทด้วยนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนะพราะรู้ชัดนะว่าการเคลื่อนไหวไมันสาคัญกนะิจกรรมของชุมชนก็จําเป็นนะแต่บางทีฟังมาพูดไม่รู้เรื่องนะเราก็ต้องรู้ว่าความรู้สึกตัวในการเคลื่อนกันไหวของเรายังมีอยู่มันก็ยังได้ประโยชน์อยู่ ถ้าตรงไหนมันฟังรู้เรื่องก็จะรู้เรื่องมันเองแหละก็คือภูมิจิตภูมิธรรมการที่ส่งไปเครื่องรับเครื่องส่งพอดีกันการรับติดทันทีวันหนึ่งได้สักประโยค2์ประยชประเด็นสองประเด็นเล่าไปทำนะตรนั้นมีประโยชน์สูงสุดจําได้ทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ใช่การปรากฏจากภไยในของเราเองอันนั้นเป็นของผู้เทศผู้พูดนะท่านมีแต่เราไม่มีก็เรื่องของท่านมีเรื่องเราอย่างนี้ท่านมีทางภ็พูดท่านไป ถ้าก็ท่านสอนตัวเองไปทบทวนตัวเองไปสิท่านพูดมีจริงไม่จริงท่านก็รู้ท่านเองแล้วกันอย่างเงี้ยจนเราเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังเริ่มต้นก็ไก่ขอไข่เดี๋ยววันใดวันหนึ่งไนอะ้คำพูดที่เราได้ยินได้ฟังมันจะพูดขึ้นมาเกิด<ม>ขึ้นมาเองอันนี้เรียกว่าอารมณ์ปฏิบัติธรรมจักฐานสุดตาวยำยาแล้วก็ลืมๆไปมันกลายเป็นจินตตาวยำยาแล้วท้ายสุนคือเป็นตัวจิตตภาวนา เป็นปัญญาภาวนาที่ปรากฏจริงๆนะแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อทัานพูดนี่มันอยู่ตรงนี้นี่นานะใหม่ๆเราฟังก็ไม่เข้าใจนะแต่พอทําไปทําไปทําไปทําไปอ้าวท่านพูดอยู่ตรงนี้นี่นานะพอเรื่องรู้รูป ร, รู้นา ม, มนก็คือรู้กายรู้ใจเบื้องต้นนี่แหละนะแล้วพอสติเขาแข็งแรงขึ้นก็แสดงตัวเข้ามาเองนะเราเลยเห็นสภาวะของสตินะที่มันเป็นความปกติอย่านงะ สติที่มีการระลึกรู้สมาธิที่จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาคือสภาวะที่มันหลงไปแล้วกลับมาเป็นเราก็แตกฉานในสิ่งที่มันรู้ว่าคืออะไรหายสงสัยไปเลยเพราะนั้นมีประโยชน์การเวทธรรม เ, เป็นดายสุดท้ายแล้วสำหรับเราเชาวพุทธที่เกิดมาโชคดีเหลือเกินได้ยินได้ฟังเรื่องการเจริญสติปัฏฐานตรงตร ง, ตรงได้ยินเรื่องของมรรคผลนิพพานตรงๆ เป็นเรื่องของนะทางเดินสู่การพ้นทุกข์มันก็คือสติที่เราจะต้องเจริญนี่แหละพร้อนะมเจริญขึ้นมามันก็กลายเป็นเรื่องการเจริญสติที่มีผลนะมาเกิดการใช้ได้จริงๆนะสมัมานะสมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างนี้นะสัมมาทิฏฐิคือการเห็นเห็นถูกเกิดขึ้นมาขณะที่เราปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นมาในปัจจุบันก็เห็นถูกท้ายสุดนะก็เป็นเรื่องของ สัมมาสมาธิที่มันตั้งมั่นรู้อยู่จริงๆก็คือการมีสติแล้วแลอยู่การมีสติแล้วแลอยู่การมีสติแล้วแลอยู่ถือว่าเป็นฌานสูงสุดทีเดียวนะเราก็เลยไม่ต้องมาเจริญสมาธิอะไรกันมากมายเจริญสตินำสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้องพอสัมมาสติมันเจริญเติบโตขึ้นมาสัมมาสมาธิมันก็แสดงตัวเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันเลย สติก็คือการเลิกรู้กาเวลาจิตรำใช่ไหมแล้วพอมสอีสมาธิตั้งมั่นก็กลายเป็นมีสติแล้วแลวอยู่เป็นสภาวะที่ต้าสุดนี่สนุกมากๆไม่ต้องใช้รูปแบบเลยตรงนี้เป็นการใช้ชีวิตธรรมดารรมดาทั้งวันนะฮะแต่ว่ามันกลายเป็นความรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานภาวะพุทธ ดอพุทธะที่มันเล็กๆน้อยๆจากความรู้สึกประสังสมเมื่อก่อนใครคิดเหมือนกันว่าการเคลื่อนมือเนี่เหมือนกับการหยดตังใส่กระปุกทีละบาททีละบาททีละบา ท, ท, บาทวินาทีนึงรู้ครั้ ง, งนึงกระบาทนึงเก็บนานๆก็เป็นมาหาเศรษฐีมาหาเศรษฐีท้ายสุก็คือใช้เงินไม่หมดแถมเปลี่ยนได้ทุกเรื่องเปลี่ยนผิดเป็นถูกก็ได้มาหาเศรษฐี คันนี้มหาสติเจริญสติก็ความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะจากทั้งความเป็นโปรตินเต็มพื้นที่ภายในจิตใจของเรามหาสติมันเกิดขึ้นมาท้ายสุดเป็นความสุขเกษมสารเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นมามันเป็นเพียงแค่อาการเมื่อก่อนยึดเป็นสุขเป็นทุกข์ตอนนี้มันก็เลยเนือสุขเนืทุกข์เป็นอย่างนั้นเอาละเห็นว่าสมควรกี่เวลาเดี๋ยวเรากลับพาพร้อมกัน